แมันโปร่งทิ้งไปเลยลูกไม่ต้องคุมสภาวะคุมอาการคุมเฉพาะจิตไม่ต้องคมุมมันโปร่งทิ้งไปเลยมันลยมาทิ้งเลยเป็นแบบไม่อะไรกับอะไรทบให้ทิ้งสภาวะทำไม่คุมสภาวะไม่จับในสภาวะมันก็อะละเรียกว่าวิมุตต์แต่จับอยู่ก็เรียกว่ายึดอยู่ไว้ลูกมันก็ไม่วิมุต ดังนั้นเราต้องการทิ้งสภาวะไหนเราก็สละหมดแลทิ้งหมดเออนะแบบไม่อะไรกับอะไรไจะได้โปร่องออกโปร่องออกไม่ใช่ลักษณะของการเฝ้าอาการเฝ้าอารมณ์เฝ้าวความลุกความรู้สึกไม่ใช่เฝ้าที่ทิ้งจึงค่อยจ้าออกมาจึงคอ่อยโปร่งออกจึงคอ่อยโปร่งค่อยโลงออก นั่นแหละมันเนี้ยเลิกจมเลิอดงมเลือดเกาเลิกตึมแบบไม่อะไรก็อะไรไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่อะไรก็อะไรอยู่แล้วนี่ลูกออกหมดสระหมดสระสภาวะไม่เฝ้าสภาวะจะได้ไล่ขอบเขตของมันด้วยเองไล่ขอบเขต มันไม่จังกัดอยู่แค่อาการหนึ่งสภาพใดไรขอบเขตมันไม่มีขอบเขตเพราะมันไม่กําหนดขึ้นมามันไม่จับจด ไ, ไม่จดไม่จอไม่จึ้ง ไ, ไม่จ้องมันก็เลยไม่เกิดขอบเขตขึ้นไม่เกิดอนาคตขึ้นเลยวะไรขอบเขตเรียกว่าว่างอยู่แล้วลูกไม่มีขอบเขต ไปจึงไปจ้องไปจดประจอลงไปปุ๊บมันก็เกิดการจํากัดขอบแขกขึ้นมาแล้วจํากัดนาการจํากัดในสภาวะเร็วปรทนันเป็นสิ่งตีกรอบหรือหรือเรื่องเรียออย่างนะั้นว่าขังทุกนันเองเมื่อเกิดการตีกรอบขึ้นก็เลยเกิดการขังทุกข์ขึ้นในลักษณะที่จดจอจึ้งจ้องต้องตั้งทั้งหลายแหล่มันเป็นลักษณะการตีกรอบเท่านั้นแหละ ลักษณะการขังสภาวะขังทุกข์นั้นอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่แล้วเนี่ยลูกไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันสละสภาวะมันตื่นแบบไม่เอาตื่นตื่นแบบไม่เอาสภาวะเรียว่าสติอันยัยืจริงๆมันไม่มีลักษณะติดสติตื่นเอาตื่นตื่นจ่อความตื่นก็เลยมันติดสติมันเป็นวิปัสสนากิเลศไม่ใช่เนื้อหาของวิปัสสนาหรือวิสามัน ในตรงต่วเนื้อหาของการตัดนะลูกฉะันไปติดที่ปันสนูฉะนั้นจากค่าอย่างเดียวสลายอย่างเดียวเท่านั้นแหละนี่ได้ค่อยๆ อ, ออกลูกไอเกาะอะไรไม่กรรมอะไรมันออกหมดคลายออกหมดฉะนั้นเข้าใจ สรุป้ตรงดีๆลูกตื่นแบบทิ้งอ่ะทิ้งทิ้งสภาวะตื่นแบบไม่เอาตื่นเองอ่ะตื่นแบบไม่อะไรกับอะไรถ้ตื่นแบบไม่เอาความตื่นเองอ่ะลูกจริงจะเข้าสู่สติอริยะขึ้นมาทันทีแต ย, ยังไปแช่ยังไปประคองอยู่มันก็เริ่มตื่นส ต, สติมันเป็นสติบุรชนบุรชนก็มีสติเหมือนกันแต่มันเป็นสติแบบชนม่นคอยจะชนไงลูกรู้แบบชนก็คือไม่นคอยจะชนน่ะนะ แต่สติสติอย่างอริยะนี่มันไม่ชนมันสติไม่ต้องเศ้าสติเองมันตื่นมาสละเตื่นมาแจ้งขังตืนแบบแล้วแวไปตื่นแบบแม่อะไรครับอะไรนี่เขาเรียกว่ามันสละแล้วทั้งสภาวะของมันเองทําไม่ติดท่าเาเรียกว่าอริยะแค่นั้นแหละโลกีนี้ออกจากนี้วรธรรมทั้งหลายไม่เศร้าไม่ซึมไม่อมงามอาไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่ห้อยไม่ห้อยไม่หอดไม่โห ไม่โทสะไม่ราคะไม่นั่นไม่นี่มีงี่ยมีเง้าไม่ทั้งหมดนะลูกออกหมดสงบจิตกุลรำคาลังแยสงสัยพยาบาลอาคาตอะไรมันจะออกออกหมดเลยที่มันไม่ออกเพราะลูกไปเฝ้าอยู่ะเตื่นเฝ้าเตื่นรู้เฝ้ารู้อยู่มันไม่สระมันไม่รู้แบบสระรู้ไม่เตื่นแบบสระเตื่นทำไมสละนี่คือมันเตื่นแบบไม่อะไรกับอะไร จะละรู้ตัดจ ร, รู้นี่คือมันมันแบบไม่อะไรกับอะไรอะไรมันไม่ต้องมาห่วงเฝ้าไงลูกตะละมันก็เลยไม่มีเนื้อหาของปุถุชนมันก็เลยออกจากกระบวนการของนิวรธรรมทั้งหมดเองเพราะไม่มีเหตุแห่งการเฝ้าอยู่ยนั่นเองไม่เฝ้าสภาวะตื่ไม่เฝ้าตื่นนะลู้ไม่เฝ้ารูก啊 ไมชอะไรเฝ้าอะไรมันสละหมดทุกนามธาตุทุกนามสภาวะในรูกไอแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยตื่นแบบหม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มุ่งกรรมเอาไม่มุ่งกรรมเอามันสละนามธาตุมันสละมันไม่ยึดนั่นเองคำว่าสละนี่คือมันไม่ยึดนั่นเองมันจึงค่อยออกกับกระบวนการของนิวรณ์ทั้งหลายอารมณ์ความรู้สึกในคิดปรุงแต่งเมื่อกระบวนการของเบญจขันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่คล้องไม่คาในเบญจขันธ์ทั้งหลายไปเอง ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยลูกมันสลามันไม่ยึดเองคําว่าสลาคือมันไม่ยึดนี่แหละไม่ยึดกายไม่ยึดจิตไม่ยึดสภาวะไม่ยึดลักษณะไม่ยึดอาการมันไม่ยึดลูกก็ตรงต่อไหมอยู่แล้วตลอดนะลูกมันไม่ต้องแบบไหนอยู่แล้วตลอดมันไม่อยู่แล้วตลอดไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วตลอด นั่นแหละลกจริงจะตรงต่อเนื้อหาของอริยะจริงๆมันไม่ใช่เนื้อหาปุถิชนเนื้อหาปุถิชนมันเริ่มต้นในการยึดแต่ยึดรู้ยึดเห็นยึดวิญญาณสัมผัสมันเริ่มต้นใากการยึดเนื้อหาปุถิชนเนี่ยตั้งแต่ยึดวิญญาณสัมผัสเป็นต้นไป รู้ไปเห็นจะรู้จะเห็นต้องรู้ต้องเห็นแช่รู้แช่เห็นเฝ้ารู้เฝ้าเห็นก็โรีกําหนดรู้กาหนดเห็นน่ะนะตัวกรรมเลยลูกกรรมซ้อนธาตซ้อนธรรมเลยเ่หลงเจริญกรรมซ้อนรู้ซ้อนเห็นอยู่มูอเด็กําหนดรู้กำหนดเห็นอยู่มันก็ไม่ตัดสู้ทุกทีเมื่อจะติดรู้ติดรู้มันก็เลยไม่เลิกเป็นปฎิชนทุกที การกําหนดรู้แต่และข น, นาะคือการดําเนินเนื้อหาปุถิชนนั่นเองมันไม่ปรอมไม่ลอกไม่พร่องหมาว่าไม่ไมล่ขอบเขตมันยัรจำอยู่แค่รู้อยู่มันก็เลยมันขังทุกข์นะลูกสร้างแต่ขอบเขตจํากัดแต่สภาวะจํากัดอยู่แค่อาการมันก็เหมือนกับไปจํากัดทุกข์มาแล นี่แบบไม่ต้องอยู่แล้วเลยสละเลยลูกทุกสภาวะของความตื่นแล้วความ orn, โปร่งโล่งโปร่งแบบไหนนะะก็สละหมดแบบไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วนี่ยมันสละหมดทุกสภาวะลักษณะของความตื่นความโปร่งความโลง่งความเแบบิกบานทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ความยึดติดเนทิง้งเนะะี่เสียสละกับไม่เอาอ่ะ แหละจริงค่อยตรงต่อเนื้อหาวิมุติทันทีขันไม่เอาขันขันไม่ยึดในขันเองธาตุไม่ยึดในธาตุเองแต่นั้นที่มันตรงต่อความไม่ยึดติดจริงๆก็คือที่มันไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วนี่ลูกจึงก็ไม่จึงอยู่แล้วจ้องก็ไม่จ้องแล้วต้องก็ไม่ต้องอยู่แล้วตั้งก็ไม่ตั้งอยู่แล้วนี่ลูกจ่ายก็ไม่จ่ายอยู่แล้วจดจ่อก็ไม่จดจ่ออยู่แล้วไม่อยู่แล้วนี่ลูก เพราะนั้นนะจึงจะโร่องออกจริงๆหรือจะคลายออกจากการจะติดทั้งหมดจริงๆไม่ใช่ไประบบเฝ้าอาการลูกมันไม่ใช่วิชาเฝ้ายามนี่มันวิชาตาสลูมันเนื้อหาตาสรูไม่ใช่วิชาเฝ้าอาการ เฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าเห็นเฝ้าเช็คเอาเช็คเข้าเช็คออกอยู่อะไรอยู่มันก็วิชาเฝ้ายามหมดนี่ลูกดับไม่อยู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วนี่ลูไม่เฝ้ามันไม่เฝ้านะแล้วมันก็จึงค่อยจ้าออกคร่องออกเฝ้าอะไรลูก เปลาในคันห น, 2, น, 3, น, 4, นึ่งขันสองคันสามคันสี่คันเปลาขันไหนก็เป็นการมดคันนั่นเปล่าคันไหนก็เป็นห่วงคันนั้นไะนี่เราบอกองถมไหมอยู่แล้วตลอดอ่ะมันแจกก็ไม่แจกแล้วต้องก็ไม่ต้องอยู่แล้วนี่ยติดดบไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วอย่างนี้ย ไม่เฝ้าสภาวะไม่เฝาลักษณะไม่เฝ้าอาการนะ่ะจึงจะผ่องแผ้วจึงจะไล่ร่องรอยของการยึดเกาะไล่ร่องรอยของการยึดติดไล่ร่องลอยของกรรมกิเลสตอนธาตุตอนธรรมตอนขันธ์ อย่าให้ควักควายอย่าให้แกว้งกว้างลูกก็ไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วทำไมสรุปอย่างนี้มันก็จะไปอะไรกับอะไรอยู่นั่นแหละคำว่าอะไรกับอะไรเนี่ยมันไม่สละไม่จาา่าฆ่าลูกที่ไม่อะไรกับอะไรเนี่ยเรีวสลละเรือกว่าจาา่าค่าลูก คำว่าสลากคำว่าจาคะทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่ประทานไม่ตัณหานั่นเองทั้งหมดของความไม่ติดไม่ยึดนั่นเองคำว่าจ่าฆ่านี่ยมันหมายถึงความไม่ยึดติดคือไม่อะไรกับอะไรนี่แหละเตือนแบบไม่อะไรกับความเตืนเองโปร่งก็ไม่อะไรกับความโปร่งเองโล่งก็ไม่อะไรกับความโล่งเองเนี่ยมันหมดจดมีโมกเรียง<ม> นิโรธไล้เหตุไล้สมุ ท, ทยัยคือว่าดับทุกข์ดับทุกข์อะไรไม่ใช่ไปดับทุกข์นะหมายถึงมันไล่เหตุของทุกข์ไปเสียเองไม่เป็นเหตุของทุกข์ไปเสียเองอย่างเรียกว่านิโรธไม่ใช่ไปดับทุกข์แต่ไปดับทุกข์มันจะมีกริยาในการเข้าไปดับมันมันเป็นกริยาตั้หากริยาอุปทานมันนี่มันไล่เหตุไปเสียเองมันไม่เป็นเหตุไปเสียเองอย่างเรียกว่านิโรธ ไม่อยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วมันจะไม่เข้าไปจมปากมันจะไม่เข้าไปชนด้วยกับสภาวะลักษณะทั้งจิตอยู่ล่าไหลเพลิดเพลินตามสภาวะจิตตามสภาวะอารมณ์มนอ่ะมันเข้าไปอะไรกับอะไรไปเพ่งดูเพ่งรู้จับดูจับรู้เพ่งรู้เพ่งลุ้มก็ไตามไปเรื่อยๆอันนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเนี่มันไม่จับรู้ไม่จับเห็นเนื้อหาตัดสิรู้ล้วนๆไม่ติดรู้ มไม่จับในวิญญาณสัมผัสมันก็ไม่มีการไหลาตามอะไรไม่มีการหลงไหลาตามอะไรที่มันลหลงไหลตามอะไรอยู่เพราะมันยังหลงวิญญาณสัมผัสอยู่หลงรู้อยู่นะ่ะไปเกาะรู้เกาะเห็นจ้องรู้จ้องเห็นจิงรู้จึงเห็นตั้งรู้ตั้งเห็นตั้งรู้ตั้งเห็นคอยรู้ค่อยเห็นเฝ้ารู้เฝ้าเห็นค่อยรู้ค่อยเห็นโมตุหองรู้ไงรูกมันก็เลยไม่ตัดสัตว์ที่ แต่เขาตื่เนี่ยแบบไม่อะไรก็บอะไรแบบไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ตื่นเองตื่นแบบไม่ติดความตื่นเองไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันมันมันก็ตื่นเองมันก็โปร่งเองก็โล่งเองแล้วก็โล่งแบบไม่ติดความโลงด้วยไม่จะแค่ทำมาพิสมัยแต่มาถึงนิพพานอยู่แล้วเลยไม่ใช่อะไรมัวพิสมัยอะไรอยู่โปร่งพอใจความโปร่งโล่งพอใจความโล่งตื่น ยินดีความเตื่นนี่เ้าเรียกธรรมมาพิสมัยพิสมัยในธรรมมัวแต่พิสมัยในธรรมเตือนพอใจในความเตือนโปร่งโล่งก็ยินดีในความโปร่งความโล่งมันธรรมมาพิสมัยยัมีเชื่ออยู่ยังไม่ยัไม่อยู่แค่ธรรมมาพิสมัย่ะสละให้หมดไม่งั้นเชื่องกันเริ่มเป็นหมดอ่ะเชื่อนิดเชื่อหน่อยในการแช่การทรงกันดํารงอยู่การอินการฝังลึกอะไร มันมีผลน่านนั่นแหละลูกสามารถจะกําเริบเสื์กสารกลายเป็นสภาวะฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆได้ตลอดเวลานา่นมาอยู่แล้วนั่นไม่ต้องเสียดายในการเฝ้าสภาวะจิตเฝ้าสภ า, สภาวะอารมณ์ไม่ต้องเฝ้าห่วงเห็มันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยลูกมันไม่ต้องห่วงมันเสียดายนามธาตุนามสภาวะอยู่อย่างนี้มันจะหมดเหตุหมดเชื่อ ไม่มีเหตุไม่มีชื่อให้กำเริบต่อไปอีกในการข้างหน้าหาเหตุทั้งในปัจจุบันมันก็ไม่มีเหตุมีปัจจัยสู่การข้างหน้าต่อไปอีกที่กำเริบเกิดกึ้นสู่สภาวะจิตสภาวะอารมณ์กิเลสทั้งหลายเป็นกิเลสเนะี่ยอารมณ์เป็นกิเลสในจิตกรามกิเลสอยู่ ต, งตงรงตรงมายู่แล้วเนี่ยตลอด เตือแบบไม่อยู่แล้วน่ะมันไม่เอาก็ทั่งความเตือนเองกระหนักขึ้นความเป็นจริงในข้อนี้เอาไว้เท่านั้นแหละมันจะสมุเดเฉดเด็กขายของเท่าเองเตืนก็ไม่มันก็ทั่งความเตือนเองนะลูกเตืนก็ไม่เอามันก็ทั้งความเตือนเองนะนั่นแหละแล้วมันจะไม่หมดเชื่อหมดเหตุเลยไม่อยู่แค่ธรรมมาพิสมัยเท่านั้นแค่ ย, ยินดีในธรรมจะได้หมดจดนะลูก ตรงตัวว่างอยู่แล้วตรงตัววางว่างอยู the Oliver, like way, like ่แล้วตรงตันิพพานอยู่แล้วจริงๆอยู่แล้วไม่ใช่อยู่ข้างหน้าดังนั้นไม่มีรักษณะเฝ้ารู้เฝ้าเห็นถ้าลูกยังเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอยู่มันก็เจริญเนื้อหาปุถุชนอยู่ะเดี๋ยวก็แชร์แล้วเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ซึมเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เงาเดี๋ยวก็ง้อยเดี๋ยวก็สารพัดหลากหลายอารมใจ ลูกก็ตรงต่อที่ไหมอยู่แล้วตลอดลูกหมายถึงไหมอยู่แล้วตลอดอ่ะไม่ใช่ตรงจิตแบบไหนไม่ใช่ตรงใจอย่างไรตรงต่อไหมอยู่แล้วตลอดมันจะได้ไม่หลงเป็นเหตุกับอะไรไปสทัทีไม่หลงเป็นเหตุกับอะไรอะไร เรียก่มีใจมีใจกับอะไรจ ะ, จะได้เลิกหลงเป็นเหตุกับอะไรสัทีนี่ตัดใจนั่นไม่ใช่ตรงใจแบบไหนไลูกไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่แช่ในระบบของจิตใจทั้งหมดนะมันไม่ใช่ตรงเอาใจเป็นประมาณจะตามใจจอเอาใจมันไม่ใช่ไงลูกไม่อยู่แล้วมันสละหมดทุกระบบของใจสลาหมดทั้งระบบ่ะจึงเรียกว่า อื่นโดยดุสดีเลยโปร่งโลงโพร่งแบบไล่ขอบเขตเลยแบบไล่มนทินเลยอื่นสระอื่นอจาคเลยอยื่มาอยู่แล้วไมาอยู่แล้วมันจะไปควายแขวจะไปควัวดแกงเกาะแหวงเออะนั่นนี่ไม่ต้องหลังเลสงสัยเอาอะไรไม่ต้องทั้งหมดความเห็นความหมาย ฟุงนี่ฟุงนั่นอะไรไม่ต้องอยู่ไม่ต้องทั้งหมดน่ะไหมอยู่แล้วลูกจะตรงต่อใหม่อยู่แล้วตลอดมันจะตรงต่อว่างอยู่แล้วทันทีในมือไปกอดแปรงเพ่งขฟางไปซะเองนี่เข้าใจอย่างสมบูรเช็ดเลยเป็นแบบไหม่อยู่แล้วลูก ทำไม่มอยู่แล้วมันไม่อะไรแม้ก็ทั้งความตื่นเองตื่ไม่เกาะในความตื่นเองอะตื่นไม่ยึดในความตื่นเองนะลูกแล้วสมุดเฉดตื่นแต่ไม่อะไรกับอะไรจริงๆไม่อะไรกับอะไรแม้กระทั้งกับความตื่นเองเดี๋ยวว่าจันทรมันจะพุ่งไปค้นหาอะไรเลยเช็คนั่นเช็คนี่อะไรมันมันตัดมันตัดไปแล้วลูกเนื้อหาตัดสูบไปแล้ว ไม่ต้องอยู่แล้วนี่มันตัดอยู่ก่อนแล้วมันตัดก่อนแล้วก่อนนี่ไม่ค้นหาที่ติดที่ยึดอะไรตัดก่อนแล้วลูกเนวุ่นวายทวันนี้กับพ่วแต่อะไรกับอะไรอะไร <c oughs> มันมุนง่านอยู่ตลอดเวลามันก็บพ่อโมแต่อะไรกับอะไรงไงลูก รู้ก็ต้องตัวที่มันไม่อยู่แล้วไม่ต้องแบบไหนอยู่แล้วรู้ก็ไม่เอากระทั่งรู้เองเห็นไม่เอากระทั่งการเห็นเองลูกมันตัดตัวมันเองไม่ติดตัวมันเองสภาวะไม่ติดสภาวะเองสละหิ้งตื่นก็ไม่เอามันกระทั่งกความตื่นเองมันก็มันไม่ติดตับอกแล้วว่ามันไม่เป็นมิปัสนูกิเลส โป่งโล่งมันก็ไม่ติดในความโปง่งความโล่งเองอ่ะแบบมันไหมอยู่แล้วเนี่ยโป่งเพมันเองโล่งมันเองแต่ก็ไหมอยู่แล้วไม่ติดความโปง่งความโล่งไม่ติดยานไม่ติดปัญญาไอ i, ม้มาอยู่แล้วมาอยู่แล้ ว, ม, ลวมันก็สว่างมันเองแต่ไม่ติดความสว่างไม่ยชกไม่ยชกแค่ความพึงพอใจในธรรม สมุดเฉดเดืขาดทุกขั้นตอนแห่งธรงรมสมบูรลงสูนิพานอยู่แล้ววางอยู่แล้วว่างอยู่แล้วมาเช่การยึดติดอยู่แล้วอย่างเดียวม่นไม่จบมีเหตุมีปัจจัยจากการกับติ่งใดในสภาวะจิตหนึ่งใดก็มันไม่จบมีเหตุมีเชื่อกับจิตแบบนั้นแบบนี้อยู่ก็มไม่จบลูกตองต่อที่มันไหมอยู่แล้วมันไม่แบบไหนะอยู่แล้วไหมอย่างไรอยู่แล้วเนี่ย แจกก็ไม่แากแล้วต้องไม่ต้องอแล้วเนี่ยไม่ค่ยจบไม่สร้างเหตุกับอะไรไม่เป็นเหตุกับอะไรแต่น่ามันจะหมดไอ้ยุ่มยุมยิ้มยิ้มเรื่องไรสาระไรหมดทั้งมีสาระทั้งไรสาระมันหมดไป่เดยกันหมดนะลูกวิชาวิชามันสลายไปด้วยกันหมด ละหมดฮะ <c oughs> ไม่ใช่การยึดเอาไม่ใช่การยึดติดมันก็หมดทั้งวิชาทัา้ววิชานิพานอยู่แล้วทันทีไม่ใช่อะไรทั้งนั้นประมวลทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่ความจริงที่ไม่อยู่แล้วเนื้อหาที่มันไม่อยู่แล้วตัวอย่างคือคือไม่อยู่แล้ว ไม่ยึดอยู่แล้วนั่นเองเข้าใจว่าไม่เฝ้านะเพราะว่ามันชอบเฝ้าเฝ้าสองสวัส์มันยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งกว่าเฝ้ายามตามห้างสถาพิงฆ่าอีกเฝ้าสองสวัส์ว่เฝ้าเบญจขันเนี่ยรู้ไหมเฝ้ารู้เฝ้าเห็นคอานึกเฝ้าอาการ อืมเฝ้าแม่อะไรก็อะไรรอเนื้อหาการตัดสู้ให้มารองรับตลอดเตือนตลอดไม่อยู่แล้วมันไม่ต้องแบบไหนแล้วแจกก็ไม่แจกแล้วต้องมันก็ไม่ต้องอยู่แล้ว่ต้องมันก็ไม่ต้องอยู่แล้วไปต้องมันทําไมอกแจกมันก็ไม่แจกแล้วไปแจกทําไมจ้องมันก็ไม่จ้องแล้วไปจ้องทําไมจึ้งก็ไม่จึ้งอยู่แล้วไปจึ้งทําไมเตือนให้มันตัดนะ มันจะได้เลิกเฝ้าสังสวัสดิ์ได้เลิกเป็นสังสวัสดิทีนิพพานอยู่แล้วตลอดไม่มันไม่วนไม่มีอะไรวนกับอะไรอนิพพานอยู่แล้วตลอดไม่ใช่อะไรเนื่องด้วยอะไรไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งกำลังเนื่องด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยู่แล้วลูกไม่ใช่การเนื่องด้วยนิพพานอยู่แล้วตลอด ไม่ห่วงรู้ไม่ห่วงรู้ไม่ห่วงสัมผัสรู้ไม่ห่วงเห็นไม่ห่วงสัมผัสเห็นไม่ห่วงเห็นไม่ห่วงดูไม่เห็นไม่ im, ห่วงเห็นไม่ห at ่วงถ้ามันยังห่วงอยู่ก็มีเชื่ออยู่ลูกก็ตรงต่อไม้อยู่แล้วไปเรื่อยๆเข้าอ่ะจ่ายก็ไม่จ่าแล้วนีลูกต้องก็ไม่ต้องอยู่แล้วนี่ลูกตรงต่อให้มันง่ายอยู่แล้วไปเรื่อยๆเข้ามันก็จะหมดห่วงไปเอง หวงรู้ห่วงเห็นห่วงสัมผัสอะไรเนี่ยนําไปสู่ภาวะอารมณ์ปฏิกะท้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเน่ยเห็นว่าตาแห่งทุกข์นั้นจะแบบไหนก็ไม่จะอยู่แล้วต้องอย่างไรก็ไม่ต้องอยู่แล้วนี่เราก็กรุปตลอดมัน ต, งตรงกับเนื้อหานี่พันตลอด ต, ตรงตัวเนื้อหาความไม่ยึดติดอยู่แล้วตลอดไม่ว่าฉันไม่ติดแล้วฉันหลุดแล้ว กดอะไรเรามีฉันอยู่อฉันไม่ยึดแล้วไม่ยึดอะไรยึดฉันอยู่นะังมีฉันเป็นผู้ไม่ยึดอยู่ไม่ยึดได้ยังไงว่อฉันยังนั้นฉันยังนี้อยู่ยังไงเราเรายังนั้นเราอนี้อยู่ยังไงมีเราอยู่อะไม่อยู่แล้วไม่เห็ตรงอะไรอยู่แล้ว นั้นโดยเนื้อหาถึงลูกจะไม่ออกปากว่าตัวเองหรืออย่างไรเมื่อเปนอเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอยู่นั่นแหละเหตุปัจจัยที่นำมาสู่สมมติบัญญัติอีกีหนรุ่มเปโดโลกเป็นตัวเองจะแบบไหนก็ไม่จะอยู่แล้วต้องอย่างไรก็ไม่ต้องอยู่แล้วลูกมันเด็ดขาดส ม, มุดเฉดจะได้เลิกจะเจาะจะแ จ, ะ, จ, ะ, จ, ะ, จะที บอกจะเจาะแจ้คือเนื้อหาของการสัมผัสรู้เนื้อหาของการสัมผัสเห็นคือเนื้อหาปุถุชนนั่นเองจ้องรู้จ้องเห็นนเขาจะเจาะเะจะแจ้รู้จักไม่จะเจาะจะแจ้มันจะแค่ปากนะใจนี่แหละลูกสอดรู้สอดเห็นจ้องรู้จ้องเห็นนั่นเขาเจาะเจาะจะแจ้ทางจิตทางวิญญาณนั่ะแหละก็เนื้อหาสัมผัสเนื้อหาปุถุชนน่นอยากรู้อยากเห็นต้องรู้ต้องเห็นค่อยรู้คอยเห็นนั่นเขาจะเจาะเจาะจะแจ ยวมันก็ด้เรื่องและวแต่อารมณ์เวทนาปรุงแต่งมายอดยอมน่ะ <c oughs> มั่วกับเวทนาขันจะเกิดสภาวะที่วิบากขึ้นมาลำบากขึ้นมาแล้วก็วิบากทันทีจากก็ไม่จแจกแล้วสิรูกมันจะได้ตัดสรู้ตดัดรู้ตัดเห็นนะอืมต้องก็ไม่ต้องอยู่แล้วในลูกไ ม, 1, 2, 3, 4, ไม่ต้องไปเสียดายในขันหนึ่งั้สองรั้งามขั้สี่ขันห้าคือไม่ต้องไปเสียดายความคุ้นเคย นี่ไปเอาแต่ความคุ้นเคยขุนเคยคุ้นเคยคุ้นเคยอยู่ขุนเคยมันจะต้องตัวนี้ลดอยู่แล้วได้ยังไงดับอยู่แล้วได้ยังไงว่างอยู่แล้วได้ยังไงลูกมันเอาแต่คุ้นเคยขุนเคยอยู่เคยในขันหนึ่งหรือขันสองอรอเคยในรู้เคยในเห็นเคยในความด้วยความคิดคุ้นเคยกับอะไรแตละไอหมดเลยลูกไม่ใช่ตรงความคุ้นเคยความคุ้นเคยหมายถึงความอะไรบอลแล้วลูกในการสัมผัส คุ้เคยขันไหนล่ะคุณนเคยกับความนึกความคิดมันก็คิดไปเรื่อยอะไรวอรไปเรื่อยคุ้นเคยการรู้มันก็หาชนไปเรื่อยหาสัมผัสไปเรื่อยปัญญาพเนจรไปเรื่อยมันไม่ใช่ตรงความคุ้นเคยความคุ้นเคยเนี่ยก่อเกิดอนุสยัยก่อเกิดจริตก่อเกิดความเป็นสันดานขึ้นมาเรียกว่าจริตนิสัยสันดานมันสั่งสมเยอะคุ้นเคย อันนี้นอกเหนือจริตนองเหนือนิสัยไม่ใช่ตรงพฤติกรรมแบบไหนทั้งนั้นฉะนั้นอย่ามาเสียเวลาเจาะแจ๊กอยู่มาเสียเวลาอ่อนแออยู่ จะแบบไหนก็ไม่จะอยู่แล้วลูกจะได้เลิกอ่อนแอสัทีต้องแบบไหนแล้วต้องอย่างไรแล้วลูกก็ไม่ต้องอยู่แล้วลูกก็ไม่ต้องแบบไหนอยู่แล้วเนี่ยโลกก่อเ <c oughs> กิดปัญหาสัทีเลิกเพียดสัทีเลิกหนักเลิกตึงสัที เลิกหมกหมกมุ่นซะทีอันพองแผ่วตลอดเลยหรอกจะก็ไม่จะไอ้แล้วมันก็ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะของการกระทบกระทั่งกระเทือนต้องก็ไม่ต้องไอ้แล้วมันก็ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะของการกระทบกระทั่งกระเทือนทางนามธาตุทั้งหลายก็พองแผ่วตลอด แบบไหนอย่างไรก็เป็นแบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมันก็ไม่ไปเชิ่อในความหมกมุ่นมันไม่เป็นเหตุไปสู่ความหมกมุนม่นก็พองแผ้วตลอดดังนันอะไรที่เป็นการเป็นการสนองตัณหาในธาตุขันทั้งหลายในขันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยธาตุขันทั้งปวงเนี่ยปเป็นธาด ไม่ใช่ตรงความคุ้นเคยมันไม่ต้องอยู่แล้วเนะ่ยจากก็ไม่แกกแล้วในะโลกมันตัดหมดความคุ้นเคยมันตัดหมดือตรงสันนิพันธอยู่แล้วไหมลกูกไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่ติดอยู่แล้วไม่อยู่แล้วหมดไม่อะไระีย อาวอนหรืไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วหรือไม่อะไรวอนแต่นั้นมันจะไม่ใช่ตรงคอยอยู่เลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราก็ย่อว่างอยู่แล้วนะไม่ใช่ตรงคอยอยู่ไม่ใช่การยึดติดอยู่แล้วนี่ไม่ใช่การคอยอยู่ลักษณะของการคอยอยู่มันตันหาวประธาน คอยนั่งคอยยืนคอยเดินคอยนอนคอยคู่คอยเหยียดคอยเคลื่อนคอยไหวคอยไปคอยมาคอยอยู่คอยพูดคอยจาคอยรู้คอยเห็นคอยนึกคอยคิดคอยปรุงคอยแต่งคอยจือคอยจำคอยนั้นคอยคอยแต่อย่างนั้นอย่างนี้มันเพียอคอยอยู่ขอลักษณะการคอยอยู่คือการคอยคอยึดนั่นเองคอยยึดติดนั่นเองอันนี้มันไม่ใช่ตรงคอยอยู่นะคออยู่ก็ไม่ใช่คอยตายก็ไม่ใช่ไม่อยู่แล้วนีลูกเรียกว่างอยู่แล้ว ไม่เป็นโมหะอยู่แล้วไม่เป็นตัณหาอยู่แล้วไม่เป็นอุปทานอยู่แล้วไม่เป็นอยู่แล้วเงั้นทำไมสมุดเฉดเด็ดขาดอย่างนี้ลูกก็จะไปหลงตัวใครอยู่ใครไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวคอยอยู่เดี๋ยวคอยไปอะไรอยู่นะ่ะคออยู่แบบไหนก็ไม่ใช่ลูกไม่อยู่แล้วเนี่ยเด็ดขาด แแบบไหนก็ไม่แจกแล้วต้องอย่างไรก็ไม่ต้องอยู่แล้วนลูกก็เลยมันดับอยู่แล้วมีโลดอยู่แล้วสติไม่ติดสติสมาธิไม่ติดในสมาธิเองสวางปัญญาไม่ติดในปัญญาไม่ติดในความสว่างเองมันไม่ติดเนะ่ ดังนั้นทุกอย่างก็คือจะฆ่าทุกอย่างก็คือสื่อมละตื่นก็ไม่อะไรก็ไม่กระทั่งความตื่นเองตื่นก็ไม่อะไรกับอะไรตื่นแับไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับอะไ ร, ไ ม, ะ ไ, รไม่กระทั่งกับความตื่นเองนะลูกมันจะคือจาหรือเสียอมละจิงค่อยสวยหน่อย มีมุดจริงจริงมีข้องในตัวมันเองไม่คาในสภาวะมันเองไม่ติดในสภาพห้องที่มันเป็นอยู่เองนั่นเนะี่มีมุดจริงๆ เออเราไม่ต้องอยู่แล้วนะมั่ก็ไม่ติดตื่นไม่มีมากหรอกที่พูดให้ฟังนะี่คืออธิบายขยายความไม่เฉยนะแต่ไม่ใช่เอาฟังให้จบ